พุทโธสวัสดีค่ะท่านผฟังที่คคเคารพคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสนทนาธรรมสัมสานิสนทนานะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอ็ M ดิฉันสำสานินาคงด์งดำเนินรายการโดยมีพระมหาไภัยบุญอภิปุนโนวัดป่าดอนหายศูอุดรธานีท่านเพื่ออำนวยการหลักสูตรเล็กเล่นที่นั่นนะคะจะมาเป็นผู้ที่ตอบคาถามที่ท่านทั้งหลายถามมาหรือว่าดิฉันก็เกิดประเด็น พี่คิดว่าน่ารู้ต่อไปโดยในตอนต้นของรายการนั้นเราก็จะให้ท่านทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสไปฝึกปฏิบัติธรรมด้วยตนเองที่วัดหรือว่าท่านที่เคยไปมาแล้วแหละแต่ก็รู้สึกว่ายังต้องการครูบาอาจารย์อยู่นะครับคำหาไภบุรณ่ะพีปุณโนเขาจะเมตตาที่จะนําท่านทั้งหลายนั้นเข้าสู่การปฏิบัติสักพักหนึ่งก่อนที่จะฟังการสนทนาธรรมก็เรียกว่า เป็นการทำให้ได้ทำในสิ่งที่พระพุทธองค์นะคะได้ส่งมุ่งเน้นก็คือการศึกษาพระพุทธศาสนาหรือว่าคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราจะต้องปฏิบัติ ด, ด้วยนะคะจึงจะเข้าใจลึกซึ้งถ่องแท้แล้วก็เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงตอนนี้เตรียมตัวกันเลยนะคะดิ่ฉันกำลังจะพาท่านทั้งหลายไปพบ ก, กับพระมหาภัยบณ์อภิปุณโญเดี๋ยวนี้คะ่ะกราบน้ส ก, การกัท่านคะ่ะเชิญบาน เวลาที่เรามาฟังธรรมก็เริ่มต้นโดยการปฏิบัตินั่นจะเป็นการที่เตรียมจิตซะก่อนพระพุทธเจ้าเคยตรัส บ, บอกถึงว่าเหตุแห่งการฟังธรรมะให้รู้เรื่องคือบคุบคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยถ้าฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจะสามารถที่จะก้าวลงสู่นิยามคือฟังธรรมได้สําเร็จประโยชน์แห่งการฟังนั้นๆหนึ่งในเหตุหลายประการนั้นก็คือการที่ทําจิตให้เป็นสมาธิให้มีเอกคตาจิต การที่จะทําจิตให้เป็นสมาธิได้เราก็ต้องตั้งสติขึ้นพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วเนี่ยจะทาสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้สัมมาสติจะทําให้เกิดขึ้นได้อย่างไรเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าให้ไว้หนึ่งในอย่างนั้นก็คือลมหายใจลมหายใจคืออาณาปานาสติเป็นธรรมอันเอก หมายถึงอันหนึ่งที่เมื่อเราทําแล้วจะทาสติปัฏฐานทั้ง4ให้เกิดขึ้นได้โลมหมยใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกผ่านอยู่อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดานี้เรามาระลึกถึงนึกถึงคำว่าระลึกถึงนึกถึงนั้นก็คือสตินั่นเองเรามาตั้งสติระลึกถึงนึกถึงลมหายใจณตนะำแหน่งที่เราจะพอจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ ระาบายลมหายใจนี่มันไม่ได้เป็นก้อนเป็นตัวที่เราจะไปชี้ไปเห็นมันได้แต่ที่เราจะรับรู้ถึงสิ่งของมันได้ก็ต้องใช้สัมผัสเป็นสัมผัสที่มากระทบเวลาที่มันเข้าออกในร่างกายของเราผ่านทางโลงจมูกเรารับรู้ลมหายใจนี้ได้ที่ไหนเราก็จิตของเราตั้งไว้นะที่ตรงนั้นการรับรู้นี้ไม่ได้ต้องตามลมให้เข้าไปจนถึงใน คอในอกในท้องไม่ต้องตามลมออกจากท้องจาก อ, อกจากคอไปถึงข้างนอกแต่ให้รู้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวพระพุทธเาเรียบเทียบเหมือนกับนายทวานพูดง่ายง่ก็คือยามนั่นล่ละนายทวานที่เขาเฝ้าประตูอยู่เขาจะเฝ้าคอยดูคนเข้าคนออกออกคนนี้ไม่ใช่คนที่อยู่ที่นี่ไหนจะเข้ามาทําอะไรก็จะคอยตรวจดูดูคนออกไปว่าเอะเอาของอะไรไปไหมเหมือนอย่างที่เวลาเราอยู่ตามหมู่บ้าน ตามสำนักงานเนี่ยจะมียามที่คอยเฝ้าอยู่บริเวณประตูยามนี้ที่คอยตรวจดูนี้จะไม่ได้ตามคนเข้าไม่ได้ตามคนออกพระเจ้าเปรียบสติเหมือนกับนายตะวนันคือยามที่เฝ้าดูอยู่นี้ไม่ได้ต้องตามลมเข้าลมออกแต่เป็นสติที่ตั้งไว้อยู่บริเวณที่เรารับรู้ถึงสัมผัสเป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจนั่นก็คือบริเวณจมูกนี่แหละจะเป็นจุดไหนก็ได้ที่เรารับรู้ถึงสัมผัส คงลมหายใจได้เราอาจิของเราตั้งไว้หน้าที่ตรงนั้นสัมผัสที่เรามาดูรู้อยู่นี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาการที่ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเช่นว่าเราหายใจเข้าจนสุดแล้วแต่กำลังจะเปลี่ยนเป็นลมหายใจออกมันยังไม่ทันออกเนี่ยตอนนั้นจะมีลมหายใจหยุดอยู่นิดนึงหรือเมื่อเราหายใจออกจนสุดแล้วแต่จะเปลี่ยนเป็นลมหายใจเข้าแต่ยังไม่ทันเข้าเนี่ย จะมีการหยุดอยู่นิดหนึ่งซึ่งการหยุดตรงนี้มันก็จะไม่เกิดจัมจัดแน่ละ่ะแต่ว่าเหมือนกับยามนี่แหละเขาเฝ้าประตูอะต่อให้ไม่มีคนเข้าไม่มีคนออกเขาก็จะอยู่บริเวณนั้นแต่บางทีเขาเผลอไปห้องน้ําบ้างเผลอหลับบ้างเอาแต่พอรู้สึกตัวเมื่อไหร่กลับมาเมื่อไหร่ก็ต้องมาอยู่บริเวณนี้เช่นเดียวกันจใจของเราแต่บางทีเราเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเผลอลืมหลงลงมหายใจบ้างเอาเรานึกได้เมื่อไหร่เราก็กลับมาอยู่ที่นี่ การฝึกในลักษณะนี้จะทําให้จิตของเรานั้นมีกําลังสติมากยิ่งขึ้นเหมือนกับยามที่เขามาอยู่ที่หน้าประตูนี่แหละเขามาอยู่อยู่เรื่อยคอยเฝ้าดูอยู่เรื่อยเดินไปเดินมากขาจะอยู่บริเวณนี้แล้วก็จะเกิดความปลอดภัยขึ้นความปลอดภัยเกิดขึ้นกับอาคารความปลอดภัยเกิกดขึด้นกับสถานที่เช่นเดียวกันถ้าจิตของเรานํามาคอยเฝ้ารู้ดูอยู่กับลมหายใจเกิดเป็นสติขึ้นสติที่เกิดขึ้นนี้่จะมีกําลังกล้าแข็งมีกําลังมากขึ้น มันก็จะสามารถรักษาความปลอดภัยให้กับจิตได้จิตที่มีสติรักษานี้ก็จะมีความปลอดภัยจะไปคิดในเรื่องอดีตอนาคตเจอผัสสะมารกระทบท้งต า, ง ท, างทางหูแล้วก็สามารถที่จะไม่ได้หลุดไปในทางอากุศลหรือหลุดไปเขาปับ๊บหนึ่งก็สามารถที่จะตั้งสติขึ้นได้และสามารถที่จะรักษาตัวของเราได้ตานเหตุการณ์ใดๆในชีวิตประจำวันขับรถไปไหนประชุมพูดคุยกับใคร จิตที่มีสติรักษานี้จะสามารถทำให้การงานของเราได้ดีรักษาทั้งตัวเองด้วยรักษาทั้งผู้อื่นด้วยจนพันธุสาธุค่ะมันก็เป็นการเ<ม>จริญสติท่านอาจารย์คะ<ม>พูดถึงสิ่งที่ได้บอกให้ทํเนี่ยคืออาณาปานาสติเป็นวิธีอาณาปานาสติถูกไหมคใช่ใช่แล้วในบรรดาการฝึกสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะนอกเหนือจากอาณาปานาสติ มีวิธีอื่นไหมคะมีการตั้งสติเนี่ยได้เคยตรัสถึงอนุสติสิบอย่างอันนี้ตรัสไว้กับเจ้ามหานามะมหานามะสักยะนี่ที่เป็นญาติของพระองค์เนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงอนุสติทั้งหมดสิบอย่างคําว่าอนุสติเนี่ยอนุ ก, ก็คือตามมาภายหลังสติเนี่ยจะเกิดขึ้นตามมาจากการทำสิบอย่างนี้อในสิบอย่างเนี้ยหนึ่งในสิบอย่างนั้นคืออานาปานสติ อ๋อค่ะนะคะยังมีวิธีอื่นอีกและดิฉันอยากทราบว่าอานิสงส์ของการทําอาณาปานสติเนี่ยที่จะให้เกิดกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรคะเอ่อคนที่เจริญสติเนี่ยนะไม่ว่าจะสติแบบไหนนะคุณโยมเติ้นะพระพุทธเาบอกว่าจะรักษาผู้อื่นด้วยรักษาตัวเองด้ว ย, ร, ยงงรักษาผู้อื่นยังไงรักษาผู้อื่นยังไงก็คือสมมติว่าเราติดต่อกับใครก็ตามการติดต่อของเราการพูดคุยของเราเนี่ย จะไม่เป็นการไปเบียดเบียนเขาแต่ถ้าเราดูกรณีตรงข้ามคนที่เผลอสติไม่มีสติเนี่ยเดี๋ยวคุยคใคาๆก็ดาก่าก็ละแขวก็ละเนี่ยก็จะได้รับการเบียดเบียนจากเรารแต่ถ้าเรามีสติใช่ไหมเราก็จะไม่เบียดเบียนเขาเพราะเราจะไม่ทําสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอันนี้คือข้อที่1 1คือไม่ได้เบียดเบียนแล้ว 2. การกระทําอะไรทางกายทางวาจาที่เราจะปติดต่อกับเขาเนี่ยก็จะเป็นไปด้วยความเมตตานั่นคือมีเมตตาจิตมีความรักใคร่เอ็นดู มีความไม่เบียดเบียนและมีความที่เป็นแบบเนี้สยสื่อสารกันและติดต่อกันกันกบคนอื่นเพราะฉะนั้นคนที่ล่วงรับไปแล้วแที่ถ้าบอกว่าเราต้องการรักษาเขาแต่เราก็เจริญเมตตาจิตแจิตที่มีกำลังเนี่นะเหมือนกับเสาคลื่นส่งวิทยุที่มีพลังความส่งสูงเนี่ยก็สามารถส่งพลังเมตตาไปได้แต่าะฉะนั้นถามว่าไอ้พลังส่งของเสาที่มีกาลังส่งสูงอย่างวิทยุเป็นต้นเนี่ย ก็เหมือนกับจิตที่มีกําลังคือมีสมาธิสูงจะทงไงให้จิตมีกําลังมีสมาธิสูง่คุณก็ต้องมีสติมีกําลังสูงสติมีกําลังสูงสมาธิก็มีกําลังสูงจิตก็มีกําลังจะส่งอะไรไปมันก็ได้อย่างนี้ค่ะใช่ไหมคอเพราะดิฉันเห็นว่าจะมีการเชิญชวนให้ร่วมกันทํากิจกรรมในลักษณะของการปฏิบัติอาณาปานสติเนี่ยอืมถวายเป็นพระราชกุศลอ่า สมมุติว่าบางพระองค์ที่ที่สิ้นพระชนไปแล้วออื mm hmm. ยกตัวอย่างชัดๆเลยอย่างกับสมเด็จพระสังฆราช mm hmm. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีการเชิญชวนให้ไปร่วมกันนั่งเจริญอาณาปานสติถวายอื mm hmm. แล้วก็ในบางกรณีก็เป็นกรณีที่สําหรับคนที่มีชีวิตป่วยไข้ไม่สบายอือ mm hmm. อย่างได้รับป่วยอย่างเงี้ยนะคะนั้นก็จะได้ยินวิธีการทําสารพัดรวมไปถึงการนั่งสมาธิเพื่อที่จะช่วย ให้อาการป่วยของเขาที่วิกฤตเนี่ยได้กลับคืนมาสู่จุดที่ปลอดภัยด้วยออันนี้มันจะมันจะมีสองสามประเด็นในเรื่องนี้ค่ะแต่ยังกรณีของบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วอย่างเช่นสมเด็จสังราชอย่างเงี้ยหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ตามอาการที่เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นการทําเพื่อท่านเนี่ยคือ น, นี่คือทําเพื่อบูชาแต่ก็เรียกว่าเป็นการบูชาการบูชาก็มีหลายแบบเช่นเอาของไปให้ไปเยี่ยมเยียนถามไถ่าสารทุกข์สุขดิบหรือแม้แต่ดารานี่ก็ตามนะ กับการที่เราปฏิบัติบูชานี่คือลักษณะแรกเนี่ยเป็นการบูชาด้วยอามิดด้วยสิ่งของเข้าของแต่ซึ่งการบูชาด้วยอามิดเนี่ยมันก็หมดไปสิ้นไปได้แล้วก็ดีกับคนนั้นคนเดียวแล้วก็แน่นอนละเราขอไม่แห้มันก็ดีนะนที่เหนือกว่าที่พระพุทธเจ้ายกย่องเนี่ยก็คือการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาเช่นการเรามานั่งสมาธิหรือทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาคนที่ ได้รับการบูชาแบบนี้ดีไหมแล้วเขาจะมีอันนี้สงหายจากไข้หรือไม่อันนี้บางทีก็พยากรณ์ได้ยากแลคือถ้าทําแล้วมันจะหายทุกรายเนี่ยมันก็คงไม่มีคนตายในโลกนี้นะ <Okay. S 1> แต่ว่าคนที่ได้รับกระแสความรักความเมตตาเนี่ยนะอย่างสมมุติว่าคุณยมติ๋วแผ่เมตตาให้ใครสักนคนหนึ่งคนนั้นได้รับกระแสความรักความเมตตาจากคุณยมติ๋วเนี่ย <Okay. S 1> ก็จะมองคุณยมติ๋วเนี่ยด้วยสายต า, ยาคนที่รักใครกันเป็นอยู่และ <Okay. S 1> จิตนั้นจะน้อมไปในทางที่เป็นกุศลธรรม เพราะฉะนั้นพอจิตมันน้อมไปในทางที่เป็นกุศลธรรมจิตใจมีความสุขความดีขึ้นมาเนี่ยเขาเห็นคุณโยมติ๋วเขาก็รู้สึกสบายใจอย่างเงี้ยเพราะเราจะเลยเมตตาให้เขาเนี่ยความสบายใจตรงเนี้ยเป็นปีติปราโมทย์ที่อาจจะทําให้เขาหายจากไข้อันนี้เป็นไปได้โดยควรแก่ฐานะนะคําว่าโดยควรแก่ฐานะเนี่ยหมายความว่าถ้ามันจะอยู่ในฐานะที่จะหายได้ก็จะหายได้แต่ถ้ามันจะหายไม่ได้มันต้องจบที่ตรงนี้มันก็คงต้องจบไปค่ะนี่ก็เท่ากับสองประเด็นใช่ ะะเรื่องของการบูชาหนึ่งเรื่องของการที่จิตน้อมไปในทางกุศลอี่กันหนึ่งค่ะพิรมพรค่ะขอบคุณมากค่ะเพราะนั้นเชื่อว่าคนที่ทำสมาธิเป็นเวลาที่จะส่งความปรารถนาดีอะไรให้กับใครก็มักจะคิดถึงว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะพึงทำให้แก่กันได้ใช่ยามาครั้งเรามีคนที่รู้จักเสียชีวิตหรือคนที่คน เป็นบุคคลที่เคารพรักของคนที่เราสนิทชิดเชื้อเสียชีวิตเราไม่มีโอกาสที่จะไปร่วมในงานศพของเขาไม่ว่าจะเป็นสวดหรือว่าการทำบงังฑ์ุลหรือทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะงานศพค่ะใช่ก็บางคนก็ใช้วิธีนี้ดี๋ฉันเองบางครั้งก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็ใช้วิธีนี้นั่งสมาธิใช่ในเร่งของอย่างกรณี <laughs> ของงานศพอย่างเงี้ย คือคือเขาตายไปแล้วเขาตายไปแล้วเพราะฉะนั้นอการกระทําอะไรเขาก็เป็นไปตามกรรมมานะค่ะอาจจะช่วยได้บ้างอะไรได้บ้างแต่สิ่งที่ควรทําก่อนเนี่ยก็คือว่าควรจะไปเยี่ยมเขาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะตายด้วยซ้ําค่ะถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมเยียนให้เขาตั้งอยู่ในกุศลธรรมเอาเรื่องดีๆไปพูดคุยให้ฟังไหนจิตน้องในทางกุศลเออนี้เราควรทําก่อนที่เขาจะตายแล้วถ้าทําตรงนี้แล้วจะไม่ได้ไปงานศพนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะค่ะก็ เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะไหนๆก็คุยกันเรื่องสติละเมื่อที่บางคนจะเผชิญกับภาวะที่ทำให้จิตใจไม่สบายอย่างรุนแรงยกตัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ของลูกนะคะจู่ๆลูกขับรถหายไปจากบ้านเลยโทรศัพท์ก็ไม่เอาไปสตุง้งสตางคุณพ่อก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้หยิบกระเป๋าสตางไปว้าวุ่นเราเป็นคนที่จะให้กำลังใจเขาเนี่ย ช่วยโดยวิธีทางตรงแล้วเช่นอาจจะแนะนำว่าให้ทำอย่างนุ่นอย่างนี้ที่ควรทำแจ้งตำรวจอะไรก็แล้วแต่นะคะก็แนะนำว่าคุณพ่อคุณแม่แทนจะไปวิ่งไล่ตามโดยไม่รู้จะไปตามที่ไหนขอให้ตั้งสติให้ดีๆตั้งสติให้มั่นๆอันนี้เป็นคำแนะนำที่ในทางธรรมะนี่ถือว่ามีประโยชน์หรือว่าไม่ควรก็ควรจะไปช่วยเขาตามดีกว่า ก็เป็นคําที่ถูกต้องนะหมายว่าต้องตั้งสติไว้อันนี้คือสิ่งที่ดีที่ถูกต้องควรทําด้วยซ้ำนะคื อ, ค, อคือทางกายทางกฎหมายหรือว่าทางกระบวนการอะไรเราก็ตามไปอันนี้ก็ทําไปแต่ว่าใจเนี่ยไม่ควรจะต้องมาเป็นทุกข์มีความกังวลคือความรักหรือว่าความที่เราแบบปรารถนาดีกับเขาเนี่ยควรต้องมีแต่ว่าอย่าไปกังวลแตซึ่งความกังวลเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เราหวังว่าให้เขาได้ประสบความสุขนะ ความกังวลเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมแต่ความกังวลเนี่ยเกิดมาจากความรักแตคุณมีความรักความกำหนัดในสิ่งนี้ว่านี่เป็นลูกฉันนี่เป็นของฉันเป็นตัวตนของฉันก็จะมีความารักนจันทะความพอใจเนี่ยพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุของความทุกข์แต่ถ้าสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงไปเป็ น, ปนอย่างอื่นคุณก็จะทุกข์มากต่อให้ว่าลูกยังไม่หายไปไหนอันนี้คือมีพ่อแม่บางคนมาเล่าให้อดัมมาฟังแล้ลูกก็ยังยึดนอนอยู่บ้านดีแต่เพิ่งเกิดมา แต่มองดูลูกก็รู้สึกเป็นห่วงว่าเออโตขึ้นมามันจะเป็นยังไงเนาะสังคมมันเป็นอย่างนี้โรคภัยไข้เจ็บก็มากแล้วฉันจะดูแลไหวไหมเงินฉันก็มีเท่านี้นี่คือลูกยังไม่ได้หายไปไหนเลยน ะ, ะลูกยังนอนอยู่ตรงนั้นเห็นลูกอยู่เต็มๆ็มเลยนะแต่มีความกังวลใจเอาทําไมเป็นอย่างนั้นเนีย่ยเพราะว่าความรักเนี่ย ม, ม, มันท่วมท้นมากแต่ความรักในลักษณะนี้เนี่ยคือความยึดถือละ แ, แปลกมากเกินไปเกินกําลังของสติไปพอสติมันคุมไม่อยู่ ส่วนที่เกิดมานี้เป็นตันหาทําให้มันมาพอกพูนกัดรุมเผาที่กินจิตใจของคนนั้น mm hmm. ก็เลยกลายเป็นความกังวลขึ้นมาทาั้งๆที่ลูกยังนั่งอยู่ตรงนั้นน ะ, ะไม่ได้ยังไม่ได้หายไปไหนโอ้ยิ่งถ้าหายไปไหนนี่ยิ่งเป็นเท่าทวีคูณ ค, ความกังวลมันจะแบบรุมเข้ามาบิ้มๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจนะคะว่าแม้ความทุกข์ของคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างที่ท่านพูดนันนะคะขนาดสถานการณ์ปกติเรียบร้อยดี ยังมีความกังวลไปข้างหน้าเลยแล้วคนที่เจอสถานการณ์อย่างเช่นยกตัวอย่างนั้นหรือบางทีเรื่องเล็กๆ เ, เหมือนกันเลูกโดนมีดบาดเนี่ยลูกฉันจะเป็นบาดทะยักไหมเนี่ยนะคะคิดไปไกลขนาดนั้นก็มีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ข้อที่หนึ่งก็แก้ไขปัญหาเท่าที่เราจะทําได้ตามเหตุอันควรก่อนเช่นต้องแจ้งความต้องอะไรก็แล้วแต่อืแต่สุดท้ายสติเราต้องมีใช่นะคะ<จ>ตั้งสติใช่ใจเราไม่ต้องไปทุกตามสิ่งนี้ คือแก้ไขไปตามเหตุนั่นแหละตามปัจจัยแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ต้องไปทุกตามอ่ะค่ะแล้วคนที่เคยฝึกสติเนี่ยก็จะตั้งสติได้ดีกว่าดิฉันเข้าใจอย่างนั้นถูกต้องถูกต้องเ ป, เป็นเป็นทักษะค่ะเป็นทักษะเหมือนภาษาเป็นทักษะเหมือนกับการขับจักรยานคือคุณต้องฝึกอะ่ะถ้าไม่ฝึกมันจะไม่ได้ค่ะการฝึกนั้นก็คือการฝึกในลักษณะที่ได้นําไปในตอนต้นของรายการเนี้แหละถูกต้องถูกต้องค่ะ ท่านค ะ, ะคําถามที่อยากจะกราบเรียนถามท่านในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังสา ร, รวัตรคือทีันก็สงสัยอนะคะอืว่าเราเนี่ยจําเป็นไหมที่จะต้องสนใจอะไรที่มันนอกเหนือจากชีวิตนี้ชีวิตนี้มันก็มากแล้วนะคะอืแล้วสังสา ร, รวัตนนั้นบอกว่าเป็นการเรียนไหวตายเกิดจริงๆแล้วหมายความแค่ไหนอย่างไดแล้วก็เราควรจะเข้าใจ เอาอย่างน้อยแบบไม่ต้องเสียเวลามากเนี่ยนะคะภายในหนึ่งวันจบอืควรจะเป็นอย่างไรกัคะคำว่าวัฏฏาก่อ น, นสังสารวัฏเนี่ยก็คือลักษณะที่มันวนไปหมุนไปไปเรื่อย <Okay. S 1> เป็นสังสาร ะ, ะลักษณะที่วนหมุนไปเรื่อยๆนวนหมุนไปเรื่อยๆ อ, อถามว่าสิ่งนี้นคือเราอยู่ในสิ่งนี้อยู่แล้วนะรเราอยู่ในสังสารวัฏแล้วแล้วมันเป็นยังไงประเด็นอะไรที่เราจะต้องทราบบ้าง และสิ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าหนึ่งลักษณะการดําเนินของมันมาเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างเช่นว่ากลางวันก็มีกลางคืนก็มีใช่ไหมพอกลางคืนปุ๊บก็หมดกลางคืนก็เป็นกลางวันกลางวันหมดปุ๊บก็เป็นกลางคืนก็สลับกันไปสลับกันไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะของสังสาระคือการวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆแล้วคือมันมันจะไปเรื่อยๆมันจะไม่ได้มีที่จบสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราในลักษณะของสังสาระเนี่ยเช่นจีก็เรา ที่เข้าไปรู้อารมณนะ์ทางหูเหรอโอเคนี่ก็อารมณ์หนึ่งพอหมดจากอารมณ์นี้อารมณ์นี้ดับไปแล้วก็ไปรู้อารมณ์ทางความคิดอย่างใดอย่างหนึ่ ง, งความคิดเหรอโอเคนี่ก็ไปเ้วยอันที่สองก็ไปหมดจากอารมณ์นี้ก็ไปอารมณ์ต่อไปการไปเรื่อยๆการไปเรื่อยๆตรงนี้คือสังสารวัตรคือสังสารวัตนี i คือในใจของเรานะในใจของเราหรือถ้าเป็นภายนอกภายนอกนะคือใจที่<ช>เป็นแบบนี้ พอมันหมดจาอารมณ์นี้ปุ๊บมันก็จะไปก้าวลงอารมณ์ใหม่แต่ลักษณะใจที่เป็นแบบนี้ถ้าอยู่ในกายของเราที่เป็นมนุษย์นี้มันอยู่ได้ใช่ไหมสักกี่ปีละ่ะคุณก็อยู่ไปสักเก้าสปีร้อปีอ่ะถ้ากายนี้ตายไปน่ยมันอยู่กันไม่ได้ถ้าแตกกันไปใจที่มันยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยมันก็จะไปก้าวลงในอารมณ์อื่นๆต่อไปถ้าเป็นอารมณ์ที่มีกับปัจจัยเป็นกรรมชั่วเนก็จะเป็นลักษณะไปทุ ก, กติอบายแล้วก็ไปนับต่อไปละอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ไปในนรกไปนะหรือแต่ถ้า ปัจจัยนั้นเป็นกรรมดีแต่คุณก็จะไปสวยอารมณ์ก้าวลงในอารมณ์ต่อไปที่เป็นสวรรค์หรือมนุษย์ก็เป็นลักษณะกรรมดีไปก็นับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆซึ่งการนับไปนับไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีจบคือเราดูเหมือนว่ามันจะนับได้นะคุณโยติ๋วนับไปนับหนึ่งนับ2นับสาไปเรื่อยๆเนี่ยทีนี้พอมันนับไปนับไปแต่ถ้ามันไม่มีขอบเขตคือคือ boundary คือขอบเขตเนี่ยมันก็จะนับไม่ได้คือลักษณะการนับตรงเนี้ย ก็เรียกว่าเป็นสังสาระคือสังขยาหมายถึงการนับซึ่งคือสงไข่นะคําว่าสงไขเนี่ยมาจากการนับนั่นเองสังขยา<น>จริงๆนะคะไม่ใช่พูดเล่นจริ ง, งจริงๆสังขยาเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าการนับก็เป็นศัพท์ที่เราใช้ว่าสงไขค่ะ <c oughs> <c oughs> สงไข่คนจะคิดถึงเลยว่าเอ๊ะทำไมท่านปรีบุญถึงเปรียบเทียบกับสังขายาทาขนมปังอสงไขเนี่ยคือการนับซึ่งถ้าเผื่อบันนับไปเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดอย่างเนี้ย มันคือนับไม่ได้เป็นอสงไข่อสงไข่นี่คือสัพท์ที่เราเคยได้ยินอยู่นะมันคือนับไม่ได้นับไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่ามันมันนับไม่ได้อย่างสมมุติเรานับกลางวันกลางคืนนี้เรานับได้เช้าเย็นเรานับได้อายุกี่ปีกี่ปีคุณนับได้อันนี้คือมันมีขอบเขตที่จํากัดเอาไว้มันจึงนับได้แต่ถ้าไม่มีขอบเขตนะมันจะนับไม่ได้เป็นอสงไข่เป็นลักษณะของวนไปเรื่อยๆเป็นสังสารวัตรคุณยศติึีว่าทําไมจิตเนี่ย ถึงไปรู้อารมณ์นั้นแล้วก็ไปรู้อารมณ์ต่อไปแล้วก็ไปรู้อารมณ์ต่อไปจากอารมณ์นี้ก็ไปอารมณ์อื่นทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้ไงความที่มันไม่รู้ว่ามันไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้เนี่ยนั่นคืออวิชชาเพราะมีอวิชชาจึงมีสังการทั้งหลายนะเห็นไปอันนี้เป็นสิ่งที่อาศัยกันแล้กันเกิดขึ้นเพราะมีอวิชชาจึงมีสังการทั้งหลายเพราะจิตเนี่ยมีอวิชชาอยู่มีภาษานี่มากระทบ มันก็ไปปรุงแต่งตามภาษานั่นละ่ะไปนอารมณ์นอารมณ์นี้ไปเอามีอภาษาหนี้มันกระทบด้วยความที่มันยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ว่ามันไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้มันก็ไปปรุงแต่งต่อไปมันก็ไปปรุงแต่งต่อไปถ้ายังมีอวิชชาอยู่มันก็ต้องไปต่อมีอวิชชาอยู่มันก็ต้องไปต่อการไปต่อไปต่อตรงเนี้ยมันไม่มีขอบเขตนะมันจึงนําไม่ได้เอาเรายกตัวอย่างเปรียบเทียบสมมติว่าถ้าเราเปรียบกับมาอ <c oughs> ในเรื่องของอย่างน้ำทะเลในมหาสมุทรในโลกของเราเนี่ยนะ มันดูเหมือนนับไม่ได้นะคุณโยมติ๋วโอมันเยอะมากเขาจะเป็นนับยังไงแต่ถ้าเผืว่าคนที่มีความสามารถเขาสามารถที่จะนับน้ําทะเลในมหาสมุทรนี่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีขอบเขตที่แน่นอนอย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยมีความสามารถที่จะนับเม็ดฝนที่ตกลงมาในพื้นที่นี้ช่วงเวลานี้เนี่ยได้ด้วยความสามารถคือฌานสมาธิของท่านท่านสามารถนับเม็ดฝนได้นะโอ้ทำไมถึงสามารถนับได้อะ ราะสมาธิสูง<น>ไงสมาธิสูงนับได้เนี่ยแล้วก็มีขอบเขตจํากัดอันนี้คือนับได้แ น, น่นอนนับได้แน่นอนดูเหมือนนับไม่ได้แต่จริงจงนับได้เพราะมีบาวดรีมีขอบเขตจํากัดแต่ถ้าไม่มีขอบเขตการที่ไม่มีขอบเขตนะต่อให้นับได้ว่าเป็น1เป็น2เนี่ยแต่ไม่มีขอบเขตเมันคือนับไม่ได้คือเป็นสังสารวัตเป็นวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆจนนั่งเป็นอสงไขยเป็นนับไม่ได้ขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะอวิชชานั่นเอง วิชาเนี่ยมันทําให้จากที่ดูเหมือน น, นับได้นับได้เนี่ยกลายเป็นนับไม่ได้ไปเป็ น, นสอสงไขไปเพราะอวิชาค่ะเพราะฉะนั้นในคําถามที่คุณโยมติ๋วถามว่าเอ๊ะเรื่องสังสารวัฏเนี่ยเราควรจะต้องเข้าใจยังไงนะค่ะคือหนึ่งมันนับได้ก็มีแต่ที่นับได้จนนับไม่ได้แล้วก็มีอยู่ที่ว่าขอบเขตของเรามันจะไปสุดตรงไหนค่ ะ, ค ะ, ะเดี๋ยวพี่เชนขออนุญาตทาความเข้าใจตรงนี้หน่อยนะคะเพราะวพอฟังท่านมาทั้งหมดเนี่ยยังเข้าใจว่าจริงๆแล้วนับไม่ได้ต่างหาก อืมถ้าพูดว่าถึงสังสารวัตถูกไหมคะเพราะมันไม่มีขอบเขตพราะ ง, งั้นเถอถ้าจะแปลง่ายๆดังนั้นอันนี้เป็นความรู้ที่มีทฤษฎีอื่นไหมคะว่าบางคนอาจจะเถียงว่าไม่จริงอะ่ะมันมไม่จริงหรอกมันสิ้นสุดได้สิที่มันไม่สิ้นสุดเพราะว่าอวิชชาไงมันทําให้มันต้องไปต่อไปต่อแต่ถ้ามันจะสิ้นสุดมีบาวน์รี่มีขอบเขตซึ่งแบบหยุดซึกตรงนี้นั่นคือต้องมีวิชาเกิดขึ้นค่ะ จิตมันไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้ไงมันไม่ต้องไปก้าวลงในอารมณ์ต่อไปก็ได้เนี่ยความรู้ตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยคือมีวิ ช, ชาเกิดขึ้นอืมค่ะแล้ววิ ช, ชานี้พวกเราจะรู้ได้ไหมคะตรงนี้ไงคุณโยมติ๋วที่ประพุทธเาบอกว่าตรงนี้คือที่สุดของโลกไงที่สุดของโลกเนี่ยไม่ได้ว่าคุณไปที่นั่นที่นี่นะ <c oughs> แต่อยู่ในใจของเราตรงนี้นะคือถ้าใจมีวิ ช, ชาปุ๊บมันสุดจบตรงนี้ทันทีมันไม่ได้ไปต่อแล้วไงมันไม่ได้ไปต่อด้วยอำนาจของวิชาว่าต้องไปนับหนึ่งต่อต้องไปนับต่อ นับต่อไปต่อไปมันไม่มีที่สุดนะแต่ถ้าสมมุติเราหยุดจบตรงนี้ซึ้งเลยนี่คือที่สุดของเราเลยจบเลยอยู่ในกายของเรานี้อยู่ในใจของเรานี้อยู่ในขอบกรอบเขตของผิวหนังใ น, นจิตเราเนี่แหละหยุดซึกตรงเนี้ยมันก็ไม่ต้องไปนับต่อคมันก็คือจบได้ไงอ๋องั้นเท่ากับว่าที่ท่านบอกว่ามันมีสังสารวัฏอยู่เนี่ยเพราะเรามีความไม่รู้<ช>ความไม่รู้อันนี้ก็คือไม่รู้ว่ามันสิ้นสุดได้ไม่รู้ว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้หรอคะ อ่ะขอภายนะคะอีกทีนะคะไม่รู้ เ, รเข้าใจว่าไม่รู้คืออภิชานะดิฉันยังยืนยันว่าไม่รู้คือไม่รู้ว่าสิ้นสุดได้ก่อนนะคะท่านรย์โอเคโอเคได้ค่ะคือหมายควา ม, มว่าเราเรามีความไม่รู้เราก็จึงเพลินไปกับอารมณ์ต่างๆบางทีบางครั้งเราอาจจะฉูกคิดมาว่าเอ๊ะทาไมเราต้องขึ้นขึ้ น, นลงๆอย่างนี้นะค ะ, ะเดี๋ยวก็อยู่กับอารมณ์ที่ไปในทางที่ดีในทางที่ไม่ดีอืม มันจะจบได้ยังไงอันเนี้ยไม่รู้เพราะว่าหยุดยั้งมันไม่ได้รู้รู้แต่ว่ามันมีรู้แต่ว่ามันเกิดรู้แต่ว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายรู้แต่ว่าหนักๆเข้าชักไม่ค่อยชอบละมันทำไมไม่ไม่ดีอย่างเดียวนะคะจนกระทั่งต้องต้องมามีวิชาคือความรู้แล้วนี่นขออนุญาตให้ท่านช่วยอธิบายอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงวิชาว่ายอย่างไร อีกคั้งค่ะคือธรมาเอามาจากพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้ว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้คเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายก็ใช่ไหมตรงนี้นะะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้ว่าเราไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้นี่ถ้าเรามีความรู้นะความรู้นั่นคือวิชชาเพราะอะไรค เพราะเมื่อวิชาเกิดอวิชาก็ดับไป น, นี่ก็เป็นพุทธพจนหมกันค่นะเนืเพราะวิชาเกิดขึ้นอวิชาจึงดับไปอันนี้เป็นพุทธพจน์เพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือของอวิชานั่นเที่ยวสังขารทั้งหลายจึงดับไปแต่สังขารคือการปรุงแต่งใช่ไหมพอมีวิชาเกิดอวิชาดับพอวิชาดับสังขารดับอ้าวก็แสดงว่าวิชานั่นแหละคือความรู้ที่ว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้นะคือมันสุดตรงนี้นะไม่ว่า เราจะขึ้นไปจนถึงสวรรค์ชั้นยามาชั้นนิมานดรันตีจนกระทั่งถึงพรหมโลกก็ตามนั่นก็ไปตามการปรุงแต่งในการปรุงแต่งของจิตนี่แหละมันไปสูงก็ไปดีใช่ไหม <c oughs> หรือเราลงต่ําจนถึงสั ต, รรตว์นรกกําเดลเดราชานถ้ามันปรุงแต่งไปต่ํามันก็ไปต่ำขนาดนั้นมันก็จะแยกแยกไปสามสิบเวทภพภูมิหรืออะไรก็แล้วแต่มากมายไปกว่า น, นั้นก็ขึ้นขึ้นลงลงตามเนี้ยวนไปวนไปนไ ป, ปรุงแต่งไปปรุงแต่งไป ไม่รู้นี่ว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้ก็ไปปรุงแต่งดีบ้างไม่ดีบ้างก็ขึ้นสูงถึงพรมบ้างตกลงมาจนถึงนรกบ้างก็ตามการปรุงแต่งพวกนี้ค่ะทีนี้เมื่อรู้แล้วว่าไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ถูกไหมคะใช่วิชาในที่นี้คือรู้ว่าไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้แล้วพวกเราถ้าจะรู้ภายในก่อนจบวันนี้ ว่าไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้แต่ทํำยังไงทําอย่างไรอ่านี่คือที่ว่าจะทําสิ่งที่จําเป็นต้องรู้ในเรื่องของสังสารวัตเลยก็คือว่าเราจะรู้ว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้เนี่ยเราจะต้องทําวิจัยเกิดขึ้นจะทําวิจัยเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของวิมุตติคือความพ้นเรื่องของโพ่อชงทั้ง7นะคือจะทําวิชาหรือวิมุตติให้เกิดขึ้นคุณต้องมีโพชอชงเจ็คุณจะทําโพชงเจ็ดให้เกิดขึ้น คุณต้องมีสติปัฏฐานสีคุณจะทำสติปัฏฐานสีให้เกิดขึ้นคุณต้องมีอาณ า, าปนานสติตอาณาปนานสติอย่างที่เราทำมาแต่ตอนต้นเนี่ยทำดีแล้วจเจริญให้มากแล้วก็จะทำสติปัฏฐานสี่ให้เกิดขึ้นได้สติปัฏฐานสีเจริญให้มากแล้วทำให้มากแล้วก็จะทำโพชฌงค์ทั้งเจให้เกิดขึ้นได้โพชฌงค์ทั้งเจเกิดขึ้นแล้วทำอย่างดีแล้วก็จะทำวิชาวิมุตติให้เกิดขึ้นได้พอมีวิชาวิมุตติเกิดขึ้นแล้วในจิตของเราอาวิชามันก จิตแล้วเนี่ยจิตมันก็ไม่จำเป็นต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งต่างๆนี่มากระทบแต่วนี่สบายเลยนะคือเหนือแล้วนะเหนือจากการ ค, ควบคุมของโลกเนี่ยค่ะนั่นดูเหมือนกับว่ารายการนี้ตั้งแต่ตอนต้นของรายการซึ่งเราให้ท่านทั้งหลายได้ฝึกเจริญสติปัะฐาสี่โดยใช้วิธีอาณาปานาสติก็เท่ากับว่าได้แนะวิธีที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นได้พบกับวิชาหรือวิมุติอยู่แล้วถูกต้องค่ะ นะคะท่านฟังคะดังนั้นนีถ้าเราจับแง่จับมุมดีๆเราเจริญไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงนะคะท่านคะก็ตามอินทรีย์ของแต่ละคน <c oughs> ว่ามีความเข้มแข็งขนาดไหนเห <c oughs> มือนก็นับไปเรื่อยๆว่ามันเพ <c oughs> ียงพอจากการศึกษาประวัติของสาวกของพระพุทธองค์ที่ผ่านๆมาโดยเฉพาะครั้งพุทธกาลเนี่ย <c oughs> มีใครคะที่สามารถที่จะพบวิชาได้เร็วที่สุดแล้วก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ ่ถ้าพูดถึงผู้ที่ตรัสรู้เร็วคำว่าตรัสรู้เร็วเนี่ยหมายความว่าหลังจากที่คุณมาตามทางนี้นะมาตามมรรคแล้วเนี่ยรับรู้ถึงเรื่องของมรรคแล้วว่าเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วรู้ได้เร็วที่สุดนะคือบรรลุเร็วก็มีภิกษุชื่อว่าพาหิยะ่เป็นผู้ที่เลิศ ก, กว่าภิกษุอื่นในเรื่องของการบรรลุธรรมได้รวดเร็วอย่างกรณีของท่านพระอังคุลิมานอาจจะเป็นหลายสัปดาห์หน่อยท่านพระสารีบุตรก็15วัน ท่านพระมหาโมคลานะก็7จ็ดวันท่านพระรัฐบาลนี่สิบสองปีท่านแต่และองค์นี้ก็จ ะ, ะแตกต่างกันไปแต่ท่านพระพายยะเนี่ยยังไม่ทันจะบวชเลยพระพุทธเจ้าบิณฑบาตอยู่ไปขอฟังเทศโอ้ขอฟังขอฟังเอาพระพุทธเจ้าพูดคาถาหนึ่งให้ฟังเพราะเนี่ยฟังปุ๊บ บ, บรรลุเป็นพระาอารหันต์เลยลกําลังจะไปหาบาจีวรมาบวชถูกวัวขีด ต, ตายตายตยังไม่ทันจะบวชเลยด้วยซ้ำฟังทำบทแรกเนี่ยบรรลุธรรมเลย เดี๋ยวฉันได้พบแง่มุมคือเหมือนกับ ว, ว่านี่คือผู้ที่ได้เศษธรรมของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ใช้เวลากว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าตั้งนานอืแต่ท่านทั้งหลายที่ฟังนี้โดยเฉพาะพายิยะนี่นะคะว่าโหหน้าอิดชามากตป๊เดียวเองเพราะรู้ฐานถูกไมคะถูกต้องมาพระพุทธรูปเรากว่าจะตรัสรู้นี่บวชอายุยี่สิบเก้าใช่ไหมคะอาจารบอใจแล้วก็มาตรัสรู้อายุสามสิบห้าสาสิห้าอืม ค่ะพระพุทธองค์เนี่ยใช้เวลาจริงๆจัง จ, ง จ, งจังตลอดเวลาเลยอยู่หกปีแต่พอรู้วิธีเท่านั้นแหละบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าน่าสนใจแล้วนะคะท่านผู้ฟังก็ถ <c oughs> ือว่าวันนี้ได้ความรู้อย่างยิ่งเลยนะคะเนี่ ย, ย, อ, ยอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าไอ้ที่เราอยู่เนี่ยมันสังสารวัตแท้ๆเลยและเราจะอยู่กับอย่างนี้ไปอีกนานเพราะ ที่เราเป็นอยู่ขณะนี้เพราะเรามีอวิชชาเราต้องพยายามปฏิบัติเพื่อไปสู่วิชาและพระพุทธองค์นั้นได้ค้นพบวิธีนี้ให้กับท่านทั้งหลายอยู่แล้วใช่อาจจะไม่ต้องใช้เวลาเนิ่นานานก็ได้ผ้าเป็นผู้มีอินทร์บารมีดีใช่ต้องกราบขอบพระคุณท่านภับูรณ์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสาหรับวันนี้ค่ะเจริญบานค่ะนักมาการขอบพระคุณท่านภพบูรณ์นะคะพระมหาภพบูณ์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศ อุดอรธานีสถานที่แห่งการหลีกเล้นอย่างเป็นทางการนะคะเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ในการปฏิบัติธรรมภายใต้รัฐบาลเนี่ยคะ่ะแล้วก็ท่านสามารถที่จะติดต่อไปได้ตลอดเวลามีทุกเดือนนะคะของการฝึกหลีกเล้นปฏิบัติเข้าไปทางเว็บไซต์ก็ได้วัดชื่อวัดป่าดอนหายโศกดังนั้ น, อ, นอักษรย่อก็จะย่อมาจาก ภาษาไทยเมื่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะ W วัด P ป่า D ดอน H หายแล้วก็ S โศดอ O I G จะไปศึกษารายละเอียดกันในนั้นกันละกันนะคะส่วนรายการของเราสัสนีสนทนาดิฉันสันนิษฐานาพง์ดำเนินรายการอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106ก็จะมาพบกับท่านทั้งหลายเป็นประจา นะคะโดยประมาภัยบุ์เองเนี่ยท่านจะมาในวันทํางานราชการจันทร์ถึงศุกร์ส่วนดิฉันจะสนทนากับท่านเฉพาะวันพฤหั ส, สบดีกับวันศุกร์ฟังแล้วนํามาไปปฏิบัติต่อนะคะประโยชน์จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงกับทุกๆ ท, ท่านค่ะวันนี้ดิฉันเองก็คงจะร่ําลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบ ก, กันอีกนะคะที่นี่ค่ะ พุทโธสวัสดีค่ะ